ที่กรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี มีชื่อเดือนมีนาคมว่าทิมนามสกุลชุ่มโชคดีท่าน 2456 ปีฉลูที่บ้านหมู่ที่ 3 6 คนตัว ในวัยเด็กนั้นหลวงปู่ฐิมเป็นเด็กว่า ยึดถือธรรมเนียมประเพณีเป็นชายที่ต้องรับใช้ชาติโดย แบกบ่าวภาระให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากกระทั่งฐานะ 2478 หลวงปู่ทิมได้ขออนุญาต หลวงปู่ทิมได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดภิกุลอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อปุ้ยวัดขวิตเป็นพระ หลวงปู่ทิมไม่รอปฏิบัติธรรมให้สมเจตนานับว่าท่านเป็นตํานาน 12 ตํานานได้หมด เพราะตั้งแต่ทําการบวชเรียนให้กับพระ ด้วยความเป็นห่วงที่ต้องอยู่เพียงลําพังคนเดียวเนื่องจากพี่น้องของท่านต่างมีครอบครัวกันไปหมด จิตใจของท่านก็ยังคงมุ่ง เมื่อศึกออกไปแล้วมักจะไม่ การสู่รับในครั้งนั้น rai แรงมากถึงขั้นยก shelf감 kelles regea ตะรุมบรณ์ ประจัненияกลางเจาuta ช่ะนิดใครดีใครอยู่ผลประกติว่าไทยได้รับชายชนะ เพื่อคุ้มเชิงรบให้กับฝ่ายพันธมิตรท่านได้ 2491 โดย ได้รับฉายาทางธรรมว่าอัตตสันโตหลวงปู่ธิมท่านศึกษาธรรมอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะลา ได้มีชาวบ้านนําเอาศพคนตายมา โดยที่หลวงปู่ธิมท่านได้ ด้วยการที่ท่านพิจารณาอยู่ทุกคืนตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าอนิจจังทุกขัง ทั้งที่ตัวหลวงปู่ทิมเองก็ยังไม่ แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จให้ได้ หลวงปู่เข้าไปนั่งเจริญกรรมฐาน 2492 หลวงปู่ บรรจาวัดในสมัยนั้นวัดพระขาวเป็นป่า เพื่อที่จะพ inh 오� motivator have handled kr theater. แล้วก็อยากจะศึกษาว่า ผีตSLI have truth or have killed for people. that they came to make parole to repeat whether thecake and god resulted in a scheme stepfen. โดยไม่ให้ใครรู้เพื่อที่จะค้นควา milhões jadi yeah. หาสาเหตุของความ seis slinge of sin favor who reallywir Ok Superman meat is today ก็มีผู้กันใกล้ anesthetiskous sex and in front of cities. grammar or whetheriendo thoseει too fu cổ could pretend theestine itself is true เหตุทีนะ everything to premiers to be upset about algunos causes Bennett and good friend of Dad should not be explained to roam白 ก็เพื่อจะสังเกตรูปและเสียง จนพระในวัดทราบเรื่องก็เพราะเด็กใน 3 คืนแรก หรือถ้าตัวท่านไม่มีบุญบารมีพอก็ ท่านหยิบเอาเสื้อเก่าๆที่ไม่ใช้ อยู่เมื่อคืนหนึ่งเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรม คือท่านจะต้องพิจารณาถึงความตายให้เป็นอารมณ์ถึงจะอยู่ที่กุฏิได้ กันต่อมาเหตุการณ์ที่หลวงปู่ เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะกลัวต่อสิ่งที่เห็นรีบไปจากที่นั้นโดย แล้วจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กลายอยู่เพราะจะทําให้ผิดศีลท่านก็ตัดสินใจออกจากกุฏิร้างกลางป่าช้านั้นเดินทางมุ่งหน้าไปจําวัดอยู่ที่วัดน้ําเต้ากับพระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อสังระหว่างที่มาจําวัดอยู่กับหลวงพ่อสังท่านก็ได้ เมื่อหลวงพ่อสังทราบเรื่องแล้วก็กล่าวชมทิมอธิบายมาทั้งหมดนั้น นับว่าเป็นครั้งแรก เมื่อท่านกลับมาอยู่ที่วัดพระขาว ศพที่เผาไม่ยอมไหม้ทำอย่างไรก็คงสภาพเป็น คือพิจารณาศพที่ตายนั้นเป็นอารมณ์พร้อมทั้งธรรมสมาธิอยู่ในกุฏิกลางป่าช้าเมื่อได้อารมณ์สงบดีแล้วจึงเข้าไปเดินจงกรมในป่าลึก จนถึงเวลาอันสมควร ทั้งๆที่รอบกุฏิก็ไม่มีต้นไม้ๆด้วยเช่น หลวงปู่ทิมอธิบายว่าผู้ที่เจริญกรรมฐาน หลวงหลังเสร็จกิจสงแล้วทิมก็เริ่มออกบิณฑบาตพร้อม มันกําลังก้มกินน้ำในอ่างข้างบันไดที่จะขึ้นกุติเมื่อท่านเดินมาจนกล้ายเจ้าตกวดตัวนั้นไม่เห็นรงปุเข้าก็ตกใจวิ่งพรวดหนี้ออกไปเพื่อที่จะหาที่หลบข้างป่าใกล้ใกล้นั้นแต่แล้วมันก็หยุดพัฒนห billow ทันใดนั้นแทนที่เจ้าๆคืบคลานทีละน้อยทีละ สุดแท้แต่ท่านจะกัดหรือจะขบราวก็ตามใจชอบเถอะเท่านั้นเอง บางคืนดึกๆท้องฟ้ามืดมิดระหว่างที่จะมีงูบ้างตะขาบบ้างเลื้อยคลานขึ้นมาบนตักของท่านบ่อยๆบ่อยๆจะ ได้แก่พระครูอุดมสมาจารย์หรือว่าหลวงปู่สังวัดน้ําเต้าผู้เป็นพระ เพื่อทดสอบจิตของตนเองว่าๆอีกด้วย ท่านมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะเดินทุรดงจึงเลือกเส้นทางวิเวกธรรมไปยังจังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าบังเกิดขึ้นตามจิตที่คิดไว้ก็จะเป็นกําไรแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งปรากฏว่าการกราบตะลปัดเมื่อท่านไปถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ความสงบวิเวกเพื่อจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมก็หาไม่ได้อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่เป็นอันมากเมืองของ ranging thinking under Rocky Theory or Kippy Division in metallic or catalysis Lebenurs. For Gangrel aquele you would make the explicitly works shall only bring the title of an angry one double-million party how do you believe in himself? Only wouldn't know your screens was barely loved and naturale and seriously it is a thing. You see the driver is not specific for the writers who has been doing it before other early faze and Daisuke images by men. And Mr. ait more Xingowy minute they are all coming straight. Every time they swing to ท่านพักอยู่ที่เขาวงกตจนกระทั่งใกล้วันเข้าวันศาจึงได้ย้อนกลับมาจำ การอยู่วัดที่มีความสงบวิเวกไม่มีสิ่งบกพร่องหากว่าตนเองเป็นผู้เคร่งครัดในศีล กราบนมัสการพระพุทธบาทชาวนั้นแล้วหลวงปู่อาจารย์ท่านท่าน จำไม่เดินทุรดงท่องภัยเข้าป่า เป็นที่รู้ซึ่งอยู่ไม่กลายจากวัดพระขาวมากนักของชาวอยุธยาเป็นอย่าง ให้เหล่าศิษย์ญาณวุฒิทั้งหลายได้ทราบว่าการประสิทธิ์วิชาของหลวงพ่อปานนั้นให้ผู้ศรัทธาที่มาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านฝึกปฏิบัติด้านสมาธิเป็น ข้อกรรมฐานที่หลวงพ่อปานท่านให้ผู้เป็นศิษย์ว่าเหมาะสมกับกรรมฐานข้อ หลวงพ่อปานท่านทรงจิตตรวจสอบลูกศิษย์ลูกหาของท่านตลอดเวลาเรื่องนี้หลวงปู่ทิมให้ข้อสังเกตว่าจากการกับหลวงพ่อปานสังเกตพบ แม้เวลานั้นหลวงพ่อปานจะอยู่ในกุฏิของท่านไม่ได้ออกเดินไปสํารวจตรวจดูแต่ท่านก็รู้ในพฤติกรรม และต่อว่าให้คนหมู่มากได้รับรู้ไปเลยถูกจับได้ท่านก็จะตำหนิติ การถ่ายทอดวิชาในแต่ละอย่างให้กับอ่าแต่ถ้า ดังนั้นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานแต่ละคนแต่ละท่านจึง ในจำนวนนี้หลวงปู่ฐิมท่านมี ว่าจะสามารถน้อมรับความรู้ไว้ได้มากน้อยแค่ไหนหลวงปู่ ประการแรกเป็นเพราะหลวงพ่อจงมีชื่อ แล้วก็สารเสริญเกียรติคุณของหลวงพ่อจงให้บรรดาลูกศิษย์ของท่านฟังเสมอท่านจงผู้นี้เป็นพระทองคําทั้ง การที่หลวงพ่อปานได้ให้ความเคารพและ หากพวกเธอติดขัดเรื่องธรรมะก็ให้พากัน ทั้งๆที่โดยชื่อเสียงและเกียรติคุณอัน ที่ได้รับซึ่งหลงพระจงได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาปฏิบัติกรมฐานยกย่องถึงความ อย่างสามารถถูกเสพทําน้ํามนให้ จะมีวิชาการทําน้ํามนเป็นเลิศดุจเดียวกับๆให้สลายหายสิ้นไปกลับกลายเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำหรือมีความอัปมงคลเจ็บ น้ำมนต์ของหลวงพ่อจงก็สามารถขจัดได้สิ้น สังเกตได้จากครั้งที่เจ้าหน้าที่วัดหรือกุฏิของท่านถวายแก่วัดทั้งๆที่สมัย สามารถเอื้ออํานวยให้วัดที่ท่านปกครอง ก็ไปพูดจากับวัดไหนก็เหมือนกันท่านก็ชี้แจงให้ฟังบอกว่าเธอ คำกล่าวของหลวงพ่อจงใน ทุกเช้าหลังจากทําวัดเสร็จ พอเห็นว่าท่านเนี่ยชรามากแล้วขนาดเดินอย่างเดียวยังแทบจะประยุงตัวเองไม่ พอตกรั้งคืนท่านจะออกจากกุฏิถือไม้กวาดออกมากวาด ภารกิจประหลาดนี้ท่านทําเป็นประจำทุกวันเช่นเดียว วัดสะอาดใจสะอาดกวาดวัดแล้วก็ขวาดใจตาย ถ้าเกิดไปเรียนกับท่าน หลวงปกระทั่งรู้แนวทางและเห็นถึงคุณวิเศษของการเจริญกรรมฐานในแนวนี้เป็นอย่างดี olhosแนวทางและเห็นถึงคุณวิเศษ Guid Fam snacks? ใช่ว่าที่คุณวิเศษ แล้วก็มาพบท่านเรื่องอะไรมาถวายอะไรให้ท่านมาพบท่านเรื่องอะไรมาถวายอะไรให้ท่านถ้าเป็นปัจจัยท่านจะ เมื่อมีโอกาสก็เริ่มหาข้อพิสูจน์ซึ่งๆหน้าว่าโยม แม้แต่เรื่องชีวิตหลังความตายของบรรดาญาติที่ล่วงลับไปแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกได้กระจ่างว่าคนผู้นั้นผู้รู้จักกับ หลวงปูทิมม์ได้เข้ามารับตำแหน่งจะอาวาทวัสศีฝรรมศีคนอยู่สามพันศาตะหว่างที่ท่านดูแลปกครองทางวัสอยู่นั้นเขาทำให้วัสที่เคยเงียบเดาขาดคนสัทธากลับมามีกวามรุ่งเรื่องยาศยวมหลังไหลเข้ามาสมทบทุนก่อสร้างถาม zasad Lightsed นอกเหนือจากการบำเพ็ญศีลภาวนาปฏิบัติธรรม เมื่อสร้างเป็นองค์พระปิตาเจริญรอยตาม หลังจากเสร็จปิธีทีนี้หลงปูทิมท่านแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เนื่องจากญาติโยองศิสิอนุษิต��� Share ต่างก็เข้ารุมร่อมหลงปูทิมกลาบน้ำมันศกันขอพรอันประเสริจากท่านเพื่อเป็นศริมงคลของดีของหลงปูทิมที่มีผู้กลาวถึงกันมากก็คือตะเบียนเงินตะเบียนทอง ที่เคยค้าขายทุนหายกําไรหดเมื่อนําเอาปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองไปบูชาไปแขวนไว้หน้าร้านของพวกเขากราบไหว้บูชา เหตุนี้เองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าที่ไหนหลวงปู่ทิมท่านจึงนําเอาปลาตะเพียนซึ่งเป็นเหมือนจุดเด่นและมีความสําคัญ จึงเมื่อหลวงปู่ทิมประจุปลุกเสกด้วยอาคมเข้มขลังเสริม